พุทโธสวัสดีค่ะต้อนรับท่านกลับเข้ามาสู่รายการสันสนีสนทนากันอีกครั้งเลยนะคะหลังจากที่หยุดพักกันไปในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะได้ไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปพุทโวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษในระหว่างวันหยุดกันบ้างหรือเปล่าคะนี่ก็จะมาให้ท่านได้ความรู้เพิ่มเติมกันอีกนะคะในส่วนรายการของเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เอาอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แห่งนี้กับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีเท่ากับว่าเรามีผู้ที่ร่วมฟังรายการไปพร้อมๆกันทั่วประเทศก็ว่าได้นะคะตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะมาฟังพุทธว จ, จนะจากพระมาร์ชาควโรวัณนาปพงลำลู ก, กาคลองสิกันแล้วค่ะ นมักการะท่านคะจริญพรเช้าวันนี้เราก็มาเข้าใกล้ชิดกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากันทําความรู้จักพระพุทธองค์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยการเจริญอาณาปานสติทําความเพียเพรเผากิเลส ท, ทําจิตให้หลุดพ้นมาสแสวงหาสิ่งที่พระพุทธองค์ชักชวนให้เราสแสวงหาเมื่อเกิดมาเป็นมนุ ษ, นษย์แล้วนั่นคือสแสวงหามตตามหนิพพาน สิ่งที่เมื่อเราสแสวงหาได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องเกิดเราก็จะไม่มีความทุกข์จากการแก่เจ็บตายซึ่งเป็นความทุกข์ที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอและหากเราต้องการจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ให้มาสแสวงหามาผลนิพพานด้วยการมาเจริญอนานาปานาสติกัน ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มได้เลยเราก็มาเจริญอาณาปานสติตามแบบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บอกสอนไว้คือเรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาก็รู้หายใจออกยาก็รู้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 พระองค์ก็ให้เรารีบวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทีแล้วกลับมามีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจพระองค์ตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียงเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดีและความยินร้ายในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นสำหรับอาทิตย์นี้ก็จะนำพระสูติเรื่องของสมาธิในเง่อยมุมต่างๆมาอ่านให้เราได้ฟังกันอีก วันนี้จะนำพระสูตรที่พระองค์ชักชวนให้เรามาเจริญสมาธิโดยพระองค์ได้ถรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีจิตเป็นสมาธิแล้วธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าจะปรากฏตามที่เป็นจริงจกักษุคือตาจะปรากฏตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังดังนี้รูปทั้งหลายจะปรากฏตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังดังนี้จักขุวิญญาณ จะปรากฏตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังดังนี้จกักขุสัมผัสสัมผัสอันเกิดจากตาจะปรากฏตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังดังนี้เวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยจะเป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดีเป็นอัทุกข์มสุกขก็ดีย่อมปรากฏตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังดังนี้และในกรณีของหูจมูกลิ้นกายและใจพรงก็ตรัสไว้อย่างเดียวกันว่าทุกอย่างจะปรากฏตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจัง ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อภิกษุมีจิตเป็นสมาธิแล้วทาทั้งหลายย่อมปรากฏตามที่เป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดผู้มีจิตเป็นตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงดังนี้แลนะเพราะฉะนั้นหากเราจเจริญสมาธิเราก็จะมารู้เรื่องของผัสสะและอายตะของเราตาหูจมูกลิ้นกายและใจ รวมทั้งภาษะและเวทนาอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจังในการที่เรามาเจริญสมาธิก็จะได้รู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยษษษสัจส์4ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั่นเองวันนี้เราก็ทำความเพียรมาได้สมควรแก่เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจริญอาณาปานสติและสังสมพุทธวัจนะ ก, กันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ ท่านชมท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้ก็เวลามีจํากัดนะคะคงจะต้องลาพระมารชาคาวโรไปแต่เพียงเท่านี้อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นะคะท่านก็จะกลับมาอ่านพระสูตรให้กับเรามานําเราปฏิบัติธรรมกันต่อเช่นเคยในรายการนี้สรันนิษฐานนี่แหละค่ะวันนี้นมัสการขอบพระคุณท่านค่ะเจริญพร